สบายๆ ส, ยสปง ก, กี่ครั้งเน่ตลอด ไปกันมันเหนื่อยแล้วจะไปไหนอีกไมนโย่ตัวมันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันไปนู่นก็ดึงมาไปนี่ก็ดึงมาดึงไปดึงมามันก็คิ้งนิ่งตัวไม่โย่มันจะไปไหน มีไหม <c oughs> ทำอย่างไรถึงจะไม่ง่วงเร่าสะ่ไแบบเราทำแล้วเราง่วงเราทำยังไงอ่ะ ที่เราทำทำแล้วเรางงง่วงเราทำยังไงอืมอา้าวให้ต่อเอาเองอันนี้ก็จะของรู้อยู่จะของทำง่วงทำยังไง อ, อ่ะอืมอ่าจะของต่อเองทองาไร ต้องมีสติต้องมีปัญญาต้องมีเหตุผลต้อนใจตัวเองให้มันอยู่รักใจตัวเองให้มันได้หลักการเหตุผลก็เป็นเรื่องสำคัญระเบียบกฎเกณฑ์ธรรมเนียมประเพณี ที่สูงที่ต่ำผู้เป็นพ่อผู้เป็นแม่ผู้เป็นครูผู้เป็นอาจารย์เราคนระดับผู้ใหญ่เราไปหงุดงิดใส่ผู้น้อยเนี่ยมันมีเครื่องคานกันอยู่ มันมีเครื่องคารนกันอยู่คนที่ควรให้อภัยคนที่ควรเมตตาแต่ถ้าหากเจริญเมตตาเป็นนิดมันจะเป็นเครื่องมาช่วยลบสิ่งเหล่านี้แหละใครเจริญเมตตาเป็นนิดเนี่ยเพราะนั้นจะมีเครื่องช่วยมาลบล้างสิ่งเหล่านี้เป็นอย่างลบเลยแหละมันลบออกเลย ยาวมีเหตุผลเป็นของตัวเองมีเหตุผลเพื่อลบหลีกความหงุดิดตัว น, นั้นแหละ ขสมาวัธรรมและแนวทางัปฏิบัตต่อของสมาวัตรธรรมต่างๆดังนี้ค่ะก็คือเวลากำเนิดลมหายใจรุนโท่มีความรู้สึกลมหายใจหนักต้องพยายามหายใจและมีความรู้สึกหนักทางกายเกิดขึ้นเลยเปลี่ยมวิธีทำใจให้สบายตั้งนั่นมีสติและกลับมารู้เริ่มกลัว เห็นว่ากำลังทาหนัหน่อยอยู่ในสี่ยกอยยามไรยรู้สึกใจเราสบายเบิกบานรู้สึกชัดเห็นตัวเองชัดเจนเส้นผมกระดิกก็รู้การกลับมาอ๋อเส้นผมกระดิกได้เลย ถูกมากดีมากได้อบายได้วิธีของตัวเองจะจะไปขยับถ้าอย่างจะไปแช่ยอยู่ตรงที่ขยับหาอย่างงี้ยนะขยับขยับแล้วเรามันก็ได้ช่องได้ทางได้อบายฟังแต่ว่าอบายพิวิธีฟังแต่ว่าออบายหรือวิธีเราสามารถขยับหาใ ห, ให้ได้รับความสะดวกสบายให้กับตัวเองได้ ดีแล้วถูกแล้วยับเรื่อยๆขยับหาการขยับนะีมันมันเป็นการสร้างสรรนะการขยับการหามันเป็นการสร้างสรรอ่อาอาเวลาหูไดนเสียงเทียเ็กก็รู้สึกว่าได้ยินบอกถูกไปในใจก็ไม่รู้สึกลำ ท, ทังหรยินีนร้าย ก็มองเปเห็นว่าจิตไม่ได้เอาสีมาจากเป็นอารแต่บางนีมีความสงสัยว่านาำได้มีนเขียนอยเพราะจิตไม่มีสมาธิาหารือเปล่าคะเพราะเคยได้ยินมาว่าถ้าจิตมีสมาธิจะไม่ได้ยินเขียอะไรอืมอันนั้นมันขั้นไม่ได้ยินก็มีอันนี้มันขั้นได้ยินอยู่ เราหลับตาแต่หูเราได้ยินอยูอ่เรามีสติกำกับอยู่เราถึงได้ยินสักเท่าใดยินได้ยินแบบนี้แหละแล้วก็พิจารณาให้แตกฉานเนี่ยมันเป็นการเอาเสียงมาเป็นอารมณ์เสียงมันเป็นมันเป็นอารมณ์ของวิปัสนาเสียงนะเป็นอารมณ์ของวิปัสนาถูกแล้ว ความปวดร้าวปวดขึ้นก็มองเข้าไปที่ความปวดนั้นเห็นว่าความกวดนั้นมีการหากชั่วสร้างบ้ายาวบ้านมีความเกิดกับเกิดขึ้นตลอดเวลาปวดแล้วหายไปพอเห็นแบบนี้ความปวดก็หายไปอยู่ไปเกิดที่ใหม่พอมองไปอีกก็หายไปอีกควรจะเต้าดูอาการ เราตามดูก็ได้เราไม่ตามดูเราก็มาอยู่กับหลักภาวนาเดิมที่เราจับอยู่นั่นแหละเราจับหลักอะไรเราจับหลักอันนั้นต้องการตามล้างตามลบต้องการตามล้างต้องการตามลบต้องการรู้หน้ารู้ตาตามต้นมันหรือไมก่ก็พยายามคิดเหตุผลหักล้างมัน สามารถสามารถทําได้ทําไมโกรธตรงนี้แล้วไปโกรธตรงนั้นโกรธตรงไหนล่ะมันไปโกรธตรงไหนนะเมื่อกโกรธที่เดียวตัวโกรธที่ไหนอีกนอกจะโกรธเรื่องนี้แล้วไปโกรธเรื่องนู้นเอ่ยอย่างนี้ได้อืตามรู้ตามพิจารณามันนอกจากไม่อยาก เพลินไปตามมันก็ปกมาอยู่กับอา ร, รมณ์เดิมจับอยู่กับอา ร, รมณ์ที่สบายที่สุดที่เรากำลังจับอยู่นะั่นแหละโกรธมากๆถืออารมณ์เมตตาแนบอยู่กับจิตเลยแหละเอาใจเราไปเทียบใจเขาเอาใจเขามาเทียบใจเราเนี่ยแต่ที่สําคัญต้องมีสติทันถ้าสติทันนี่ความโกรธ แสดงปับ๊บมันกระดับแสดงปับ๊บมันก็ดับแสดงปับงป๊บมันก็ดั บ, แ, ดบแต่ถ้าสติเราไม่ทันแสดงปับ๊บยืดเฟือ่อยเข้าไปตั้นถามมาสวมมาสวมตัวหนักตัวเบาตัวลูกตัวหลานตัวพ่อตัวแม่ตัวอะไรมันวิ่งมัดรับตามกันหมดถ้าหับลอยมันเฟือ่อยไป แต่เราไม่สติรู้สึกน้ำก็ดับรู้สึกน้ำก็ดับแล้วก็มาจับอยู่กับหลักเดิมนอกจากเราต้องการใช้สติตามกําหนดจดจอ่อจอดูความโกรธดูความโกรธแล้วก็ดูมาที่จิตดูมาที่จิตแล้วก็ดูไปที่ความโกรธน่มันก็เป็นเหตุท้าทายกันอยู่อะไรโกรธก็จิตอะไรมันโกรธนะมันโกรธขึ้นมาได้ยังไงจิต จิตอันหนึ่งก็ไปรับรู้โกโรธเราก็ย้อนมาดูจิตย้อนได้ไหมเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นอะไรแต่หากมันหากมีให้เราเห็นให้เราทําได้อยู่เราเล่นยังไงก็ได้ถ้าเราเข้าใจละเอียดรอถีท่วนย้อนหน่า ย, ย้อนหลังอะไรได้หมดทันมันหมดเอาเข้าเอาทีเข้า ก่อนมาได้คนให้อิจฉาเหตและอีกข้อมาขึ้นว่าแดนสุขสาาสขาวดีไม่ปรงงากฏในภาษาาลีจบการักษาที่เก่าของเขาครับแดนสุขสสขาวดีเป็นลทัทธิใหม่ของมหายานนะ่ะแดนสุขขาวดีเพราะคนชอบความสุขแล้ะโดยเหตุที่คนชอบความสุขแดนสุขขาวดีมันจึงเกิดขึ้นรู้จังไหมจนกลายเป็นนิกายนิกายนิกายสุขขาวดี สุขาวดีนี่เราไม่มีความรู้หรอกแดนสุขาวดีไม่เคยไปอยู่ที่ไหนไม่รู้เราดูแดนสุขาวดีเราดีกว่านี่แดนสุขาวดีเราอยู่ที่นี่ที่ปฏิบัติที่นี่แล้วก็ทุกขาวดีก็อยู่ที่นี่สุขาวดีก็อยู่ที่นี่ ชัวก็ดีชั่วก็อยู่ที่นี่ดีก็อยู่ที่นี่ดูดีใจตัวเดียวเนี่ยจับใจตัวเดียวเนี่ยหมดโลกธกาตุมารวมอยู่ในนี้หมดแดนไหนอีกมันจะมีแดนไหนอีก <c oughs> จับตัวนี้อยู่กี่แดนโลกธาตุอยู่ในนี้หมด <c oughs> อีกการพิจิตรเข้าไปรู้ตามางปิิ แต่ความคิดแรกเราควรเข้าไปความคิดแฝใช้ใหเท่ากันก็เราทันมันก็ดับความคิดถ้าเราทันมันก็ดับถ้าเราทั น, นก็ดับนอกจากทันแล้วเราก็สวมรอยปรุงต่อเข้าไปอีกเท่านั้นแหละมันก็ใกล้ๆ ก, กันแหละคำถามเนี่ย ตกอแล้วไปที่ร่างกายกอแล้วให้ว่าให้ไปที่ใจใจ ไม่อยู่ก็จับเข้ามาความรู้สึกของเรามันอ่อนลงไปออนลงไปมันก็ บ, บ้าปี่แล้วมันอ่อนลงไปอ่อนลงไปมันก็ บ, บ้าปี่แล้วเราตั้งตัวได้เราก็ดึงกลับมาก็ต่อสู้กันอย่างเนี้ยต้อนกันอย่างนี้แหละใช้ความเพียรใช้ความพยายามบางทีพฤติกรรมของเราเป็นเหตุให้เราไปพบไปเจอบางสิ่งบางอย่าง ทำให้เราสลดใจเนี่ยมันนี้อย่างนี้มันจะทําให้เราเนี่ยภาวนาได้รับความสงบได้เร็วนะความสลดใจพิจารณาถึงกรรมของเขาพิจารณาถึงกรรมของเราเหมือนเราไปเราไปเจอคนประสบอุบัติเหตุอย่างใดอย่างห น, นึ่งเกิดความสลดใจเนี่ยเรื่องอย่างใดอย่างหนึง่งมาประทับที่ใจของเราเกิดความสลดใจความสลดหดหูวใจมันทําให้ใจของเราเนี่ยอ่อนนิ่ม จะ อ, อยู่ได้ง่ายแต่ถ้าตรงกันข้ามกิจใจแข็งกระด้เนี่ยจับมันยากเอามันอยู่ยากที่สำคัญที่สุดก็ต้องพยายามฝึกสติให้มากพยายามตั้งสติให้มากใชความเพียรให้มากแล้วก็พยายามหาอารมณ์ที่ ใ, ใจมันสบายที่สุดให้มันอยู่ อเข้าไปออเายัางไงก็มาอยู่เอาอยัางไงก็มาอยู่เอามันมาสวดนี่จับมันมาสวดให้มันมันให้มันว่าตามให้มันว่าตามบทสวดนั่นะว่าไปว่าเข้าไปว่าเข้าไปพยายามมีสติจ่อทุกระยะทุกเวลาหาวิธีเอาฝึกเอาฝือกเอาทําไมมันจะอยู่ ขณะทำงานต้องใช้ความคิดเยอขณะคิดจะให้มีสติบนทำอย่างไรให้มีสติในขณะที่กำลังคิดเยอะครัคิดเรื่องหนึ่งคิดเรื่องเดียวไม่เสียหายดอกคิดเรื่องที่ดีที่งามคีดเรงที่ถูกเมื่อเรามีงานทําเราก็มีสติจ่ออยู่กับงานทํางานนั้นให้เสร็จ ไม่มันคิดเรื่องตัญหาไม่มันคิดเรื่องราคะไม่มันคิดเรื่องถึงเรื่องอย่างอื่นมากวนมาปนทําจนงานนั้นเสร็จในมเมื่อเราปิดงานแล้วก็ควรจะมาอยู่กับอะไรนะอยู่กับอารมณ์ธรรมพุทโธพุทโธลมหายใจเข้าพุทลมหายใจออกโทพุทโธปล่อยวางให้หมด ใ, หใจสบายได้รับความสบายอย่างนี้ ไม่ใช่ไม่ใช่คิดไปร่องลอยไปเลื่อยเปื่อยไปในเราลึกเราคิดอย่างนั้นจนชินเราไปเขียนเราไปทำนู่นทํานี่ทําการทํางานทําบัญชงบัญชีทําอะไรต่ออะไร ก, ก็แล้วแต่แต่กงานนั้นๆมันมีเหตุผลในตัวของมันอยู่มันลองตัวไหมมันผิดไหมมันถูกไหมมันจบหรื อ, อยังมันนี่หรื อ, อยังเสร็จแล้วเราก็ปล่อยทิ้งเอาไว้ แต่ระหว่างทำงานเราก็อยู่กับงานอย่างเดียวทำงานให้มเสร็จในเมื่อเรายังจะต้องทำงานอยู่การที่เราทำงานแบบนี้มันเป็นงานปฏิบัติทำไปในตัวปล่อยไม่ปล่อยสติร่องรอยื่อยเปือยอยู่กับงานอย่างเดียวเรื่องเดียวนอกจากงานคิดงานขีดงานเขียนงานกระเขียนด้วยเหตุด้วยผลแล้วงานใช้แรงงานเนี่ยงานถูพื้นเนี่ยงานล้างจานงานซักผ้า ทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ก็อยู่กับงานเดียวอยู่กับเรื่องเดียวรู้ตัวทั่วพร้อมเรากำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ซักผ้าไปใจปรุงคิดเรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องกิเลสนรกจกเปรดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันหลอกให้เราทำงานตัวมันหนีไปเที่ยวนะมมันหลอกให้เราทำงานตัวมันหนีไปเที่ยว ไอ้แค่มือทําไปจิตคิดอย่างอื่นไปมันคิดได้มันทำได้เพราะมันสักจนชินแล้วแนหะถูพื้นถูจนชินแล้วเนี่ยแต่ถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่ว่าเรากําลังถูอยู่เนี่ยเจาะอยู่นั้นตลอดไปการทํางานแบบนี้มันเป็นการปฏิบัติธรรมภายในตัวไม่ปล่อยจิตของเรานึกคิดเลยเปิด อ, ออกนอกรูนอกทางไปอย่างอื่นพอจบงานก็อยู่กับอารมณ์ธรรม อารมณ์รมเป็นอารมณ์อะไรบทไหนที่เราำกำหนดจดจ่อสะดวกสบายที่สุดอ่าเอ า, เอาตัวนี้สาลืมตาได้หรือไม่เพื่อจากหลัลืมตาก็ได้อา่าที่ญี่ปุ่นเขานั่งลืมตาเขาไม่ได้นั่งหลับตานะนั่งลืมตา เราลองนั่งลืมตาแล้วก็เจาะภาวนายอยู่ข้างในเราเจริญสติเราเจริญปัญญาเราพิจารณาทางด้านสติทางด้านปัญญาแล้วก็ลืมตาเปิดหูเปิดตาเปิดใจเปิดอะไรมารับรู้ข้างนอกจับเหตุจับผลจับนู่นจับนี่จับอะไรแต่ไรนั่งสมาธิแต่ที่จริงการ น, นั่งหลับตาเนี่ยมันมัน มันทําให้เราจาะข้างในได้ง่ายขึ้นไม่งั้นไอ้ตัวรูปข้างนอกน่ะมันหลอกใจก็ไปใช้นั่งอยู่ใจมันเห็นเนี่ยใจมันเห็นมันมันเป็นการไปสัมผัสทําให้เกิดทําให้เกิดทําให้เกิดแรงกระตุน้นเป็นเหตหุเราต้องได้คิดเป็นเหตุให้เราเราต้องได้ปรับเป็นเหตหุเราต้องได้เปลี่ยนมันมีอะไรมาสกิดเนี่ย มันมีอะไรบ้างมาสกิจใจสิ่งที่สะกิดใจก็คือสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นสิ่งที่สะกิดใจทางตาก็คือสิ่งที่เป็นสีเป็นแสงเน่เป็นสัตว์เป็นบุคคลเนีเราลืมตาพักมันก็กอดนึกอดคิดอดที่จะมีเรื่องมาสะกิดจิตสะกิดใจไม่ได้เพราะฉะนั้นหลับตาละมักรพนภาวะสะกิจ อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธหูยังได้เยี่ยนยูแต่ได้เหตุที่เราไม่สนใจกับมันนะไม่สนใจกับหูเนี่ยสนใจแต่คําว่าพุทโธพุทโธพุทโธจิตเราจับอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวเนี่ยมันก็สงบได้ชีตังเมชี้ตังเมได้อีกเยอะไหมอ่าเอาไว้เอาไว้เที่ยวหลัง วันนี้ชีทางเมชัท้ทงเมยอา่ายิ้มแย้มแจ่มใสเดินกลับที่พั ก, สกเสร็จแล้วก็ไปเนต่อไม่ใช่เนยาวนะนะ เ, เป็นเนต่อไปอุตสาหพยายามผลรายได้เป็นของเราวัาง ไอ้พวกนี้เราขึ้นมาทันหรือเปล่าพวงนี้เนี่ย <45. S 1> นั่นแหละพวกนี้เราขึ้นมาทานมันไหมดูก่อนถ้ามาทันเราก็มาถ้ามาไม่ทันเราก็ไม่มาไอ้ท่านถอะแต่แต่ท่านจอกไปกับเราพวกนี้นะนจอกไปกับเรา